คนป่วยแล้วคนที่ใกล้ตายก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสักห้าบดได้มีโรคทางด้านเกี่ยวกับกระดูกสันหลังจูจูก็เป็นลมแล้วก็โคมา่าเข้าโรงพยาบาลหมอช่วยเท่าไหร่ก็ช่วยไม่ได้นะคือไม่ฟื้นอ่ะจูจูลูกชายเนี่ยก็พูดขึ้นมาแม่แม่รีบตื่นนะไม่งั้นพ่อ น, นี่จะพาผู้หญิงไปเที่ยว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 พอช่วยให้ฟื้นขึ้นมาได้หลังจากเป็นผักเป็นเวลาหลายเดือนเนี่ยเขาก็บอกเนี่ยเขารู้สึกมันอยู่ในคุกนะคุกก็คือร่างกายเขาอยากจะพูดก็พูดไม่ได้นะแต่ได้ยินหมดนะว่าหมอพูดอะไรลูกหลานพูดอะไรบางคนที่เป็นผักถึงยี่สิปีนะแล้วก็ถูกช่วยให้ฟื้นขึ้นมาได้เพราะว่าวิทยาการเป็นก้าวหน้าแล้วเขาก็เล่า ว่าเขาได้พบได้ยินได้ประสบอะไรบ้างระหว่างที่สลบหรือว่าเป็นผักเนี่ยบางคนเขบอกว่าเนี่ยเสียใจมากเลยนะที่แม่พูดกับเขาว่าแกตายไปได้นะแกตายได้สักทีนะแม่พูดกับลูกนะเพราะว่าแม่เนี่ยปลุกปัปป้มกับลูกมาหลายปีลูกไม่ฟืน้นแม่ก็ทุกข์ทรมานมากแล้วก็คงเข้าใจว่าลูกนี่จะทรมานด้วยก็พูดกับลูกว่าเนี่ยแกตายได้สักทีนะ อันนี้พูดมาด้วยความรู้สึก เ, เรียกว่าหมดหวังท้อแท้จริงๆแม่ก็ไม่พูดกับลูกแบบนั้นนะแต่มีความทุกข์มากก็เลยพูดอย่างนั้นเขาบอกเขาได้ยินแม่พูดกันเขาก็แย่เลยนะแต่ว่าเขาก็พยายามสู้นะพยายามสู้จนกระทั่งผ่านไปสิบปีนะก็ฟื้นขึ้นมาได้แต่ก็ยังจําคําที่แม่พูดกับเขานะแม่คงไม่รู้ว่า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 วันหนึ่งเนี่ยลูกชายเนี่ยดูแลแม่ตลอดเลยพลิกตัวแม่เห็นน้ําตาไหลก็สังหอนใจก็เลยพูดกับแม่ว่าแม่เหนื่อยแม่แม่ทรมานแม่ถ้าแม่เหนื่อยแม่ทรมานแม่ไปได้เลยนะไม่ต้องห่วงผมเสร็จแล้วก็ชวนแม่สวดมนต์นั่งสมาธินี่เป็นกิจวัตรอยู่แล้วแต่คราวนี้พอทําไปได้ห้านาทีเท่านั้นแหละสัญญาณชี้ของแม่ก็แบนราบเลยไปแล้วนะ อันนี้คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ น, นะที่มันพ้องพันกับที่ลูกบอกกับแม่ว่าถ้าแม่เหนื่อแม่ทรมานแม่ไปได้เลยนะไม่ต้องห่วงผมคือลูกอนุญาตแล้วนะไอ้ที่อยู่เนี่ยเพราะว่าห่วงลูกนะกลัวว่าลูกจะเป็นทุกข์หรือว่าห่วงเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านอยากจะให้อยู่ต่อคนบางคนเนี่ยเขาอยู่เพื่อผู้อื่นนะอยู่เพื่อลูกอยู่เพื่อญาติอยู่เพื่อหลานแต่พอลูกหลานบอกว่าเออไปได้แล้วนะไม่ต้องห่วงผมนะ เขาก็ไปได้เลยบางทีเขารอคําอนุญาตอันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์พรหมวังโสนี่ได้ไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งเป็นยังหนุ่มอยู่เลยนะผู้ชาย40 30สกว่าสัญญาณชีพแย่หมดแล้วแต่ไม่ตายนะท่านเอกใจท่านก็นเลยถามภรรยาว่าให้อนุญาตให้อนุญาตเขาให้ตายหรื อ, อยังนะอนุญาตเขาตายได้หรื อ, อยังผู้หญิงก็พอได้ยินฉะนั้นก็ได้สติเลยนะ ขึ้นเตียงไปกอดลูกผัวสามีแล้วก็บอกสติปฉันอนุญาตเธอไปได้แล้วนะเธอไม่ต้องห่วงฉันฉันอนุญาตเธอไปได้แล้วพอพูดแค่นี้แหละนะเขาไปเลยนะคือเขาอยู่นะเพราะว่ากลัวลูกกลัวสามีกลัวภรรยานะจะจะทุกข์ทรมานนะแต่พอภรรยาบอกว่าไปได้แล้วนะอนุญาตให้ไปได้แล้ว ก็ไปเลยอ่าอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายกรณีนะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูแลญาติดูแลพ่อแม่ดูแลคนไข้ดูแลลูกที่เป็นโคมา่าเป็นผักเนี่จะไปเชื่อเขาไม่รับรู้อะไรนะเขาได้ยินนะจะพูดอะไรจะทําอะไรก็ปฏิบัติกับเขาเหมือนเขาเป็นคนปกตินะนะชวนเนีพูดเรื่องดีๆกับเขาชวนให้เขานึกถึงธรรมะอ่านหนังสือธรรมะให้เขาฟังนะ แม้แต่คนข้าวอายคนข้าอัลไซเมอร์นี่ก็เหมือนกันนะยังรับรู้ได้แต่อาจจะรับรู้ได้เพียงบางช่วงบางขนาดไม่ได้หลง 100% เอซอาจจะหลงสัก 98% ้ารซรู้ตัวสักเปอรซรู้ ต, ตัวตอนไหนเราก็ไม่รู้มีคนณนั้งไลฟ์ฟังแม่นี่เป็นอัลไซเมอร์นะลืมหมดเลยลืมแม่ลืมลืมคนทุกอย่างลืมตัวเองนะช่วยตัวเองอะไรไม่ได้เลยแต่วันนึงเนี่ยนะ